เรื่องนายกาละบุตรอนาถาบินทิกะเศรษฐีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบุตรของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีชื่อว่านายกาละได้ยินว่าบิดาจ้างบุตรให้ไปฟังธรรมด้วยเห็นว่าบุตรเอาแต่ขยันต้อนรับพระสงฆ์ถวายพัฒหารขวนขวายในสงฆ์ครั้นให้นั่งฟังธรรม ก็ไม่ปรารถนาจะฟังเป็นเช่นนี้บ่อยๆข้อนี้เพราะไม่เคยได้สดับมาแล้วในแสนกับเศรษฐีเห็นว่าบุตรของเราพึงไปสู่นรกไม่สมควรเลยคิดดังนั้นแล้วพูดกับบุตรว่าให้ไปสู่วิหารฟังธรรมแล้วจะให้ร้อยกระหาปณะนาะยกาละไปสู่วิหารแล้วกลับมาทวงเงินจากบิดาวันต่อมาบิดาให้ไปฟังธรรมอีก ถ้าจำบทแห่งธรรมะได้บทหนึ่งจะให้พันกระหาปณะนะนายกาละได้บิดาผู้เป็นกาลยานามิตรมีโยนิโสมนัสิการคิดชักจูงแก่บุตรให้มีอัตตาสมาปนิธิตั้งตนไว้ถูกชอบวันนั้นเขาตั้งใจฟังธรรมต่อหน้าพระาศาสดาเพื่อจะจำบทธรรมแต่พระาศาสดาทำให้เขาจำบทธรรมแล้วลืมเขาตั้งใจฟังอีกจกเรียนเอาให้ได้ ทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งฟังอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนบทต่อไปเราจะเรียนให้ได้ข้อนี้เป็นอิทธิบาทสี่เป็นเหตุที่ตั้งตนไว้ชอบในชาติปัจจุบันนี้เป็นกรรมใหม่ของนายกาละก็ธรรมดาเมื่อชนทั้งหลายฟังอยู่อย่างนี้ธรรมะย่อมให้ถึงโซดาปฏิผลแก่นายกาละนั้น วันรุ่งขึ้นนายกาละนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีเดียวมหาเศรษฐีดีใจในอาการของบุตรนายกาละรำพึงในใจว่าข อ, อย่าให้บิดาให้กหาปณะคือให้เงินแก่เราข อ, อยาบอกแก่พระศาสดาว่าเราเป็นผู้รับจ้างฟังธรรมด้วยกหาปณะเลยแต่พระศาสดาทรงทราบ มหาเศรษฐีถวายพัฒณาหารแล้วครันเสร็จพัตกิจมหาเศรษฐีให้เอากหาปณะวางไว้ตรงหน้านายกาละนายกาละเห็นกหาปณะละอายอยู่ละพูดว่าผมไม่ต้องการด้วยกหาปณะนี้แม้บิดาพูดว่าจงรับไปเถิดก็ไม่รับพระศัสดาตรัสว่าวันนี้โสดาปฏิผล น, นั่นแลของบุตรของท่าน ประเสริฐกว่าแม้สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิแม้กว่าสมบัติในเทวโลกและพรมโลกดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพเป็นต้น ดังนี้แหละหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกและอยากให้ลูกเป็นคนดีนะครับบางครั้งก็ต้องมีกุสโลบายในการสั่งสอนลูกจากหน้าข่าวเป็นประจำที่ลูกทำไม่ดีส่วนหนึ่งก็คือกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตส่งให้ได้ลูกแบบนี้ต้องมาทุกข์ใจต้องมาเดือดร้อน อีกส่วนหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูซึ่งคนไทยยังขาดการเข้าใจอีกมากในการเลี้ยงลูกนะครับทั้งเรื่องของวัยความเหมาะสมเจริตปัญญาวาสนาและกุศโลบายที่ดีในยุค ป, ปัจจุบันคงยากที่จะให้เด็กๆฟังธรรมสนใจธรรมะเพราะด้วยวัยของเขาและด้วยระบบการศึกษาของเราก็ไม่ได้เอื้อต่อการศึกษาธรรมในขณะที่เราอ้างว่าเราเป็นประเทศของพระพุทธศาสนานะครับ แม้จะมีหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนแต่ก็กลายเป็นการท่องจํากลายเป็นวิชาประวัติศาสตร์ท่องจำแต่หลักการยากๆที่เกินวัยของเด็กสําหรับกุสโลบายที่ดีในการสอนเด็กยุคนี้นะครับขอแนะนําวิธีง่ายๆคร่าวๆไว้ให้พิจารณานะครับหาธรรมะง่ายๆอย่างเช่นเรื่องธรรมบทอย่างที่ผมกําลังอ่านนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบทความธรรมะในระดับเรื่องกรรม ง่ายที่สุดและเหมาะสมกับเด็กวัยรุ่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นบทความของคุณดังตรินมีหลายเรื่องนะครับที่เป็นการถามตอบปัญหากรรมกับชีวิตประจำวันและเรื่องใหญ่สุดสำหรับพวกเขาก็คือความรักการให้อ่านให้ฟังเองคงเป็นไปได้ยากดังนั้นการจ้างด้วยเงินหรือสิ่งของที่เขาอยากได้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีนะครับแนะนาว่าลองเอานังสือของคุณดังตริน อย่างน้อยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักโดยจ้างให้เขามาคัดลายมือหนึ่งรอบนะครับหน้าละกี่บาทก็ว่ากันไปการคัดด้วยลายมือจะดีกว่าการอ่านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าต้องอ่านและต้องเขียนซึ่งเด็กยุคปัจจุบันแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามในปัจจุบันนะครับเขียนภาษาไทยผิดไปมากซึ่งเกิดจากการไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรืออ่านแต่ตำราในโรงเรียนซึ่งศับลายสับเราะจะพบได้จากตำรานอกโรงเรียนเป็นส่วนมากนะครับ จะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นยุคนี้เขียนคำสัพท์ง่ายๆผิดกันเยอะมากต่อที่สองที่จะทําให้ธรรมะซึมซับเข้าไปในจิตใจเขาได้ง่ายมากขึ้นก็คือการจ้างให้เขานําบทความนั้นๆที่เขาเขียนแล้วมาอัดเสียงลงโทรศัพท์ไม่ว่าเขาจะอัดผิดอัดถูกอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วเมื่อต้องอัดจะต้องใช้สมาธิอย่างหนักในการอ่านนะครับ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ให้นำเข้าคอมพิวเตอร์แล้วตัดต่อคำอ่านที่ผิดทำจนไฟล์นั้นน่าฟังเป็นธรรมดานะครับว่าเมื่อเป็นเสียงของเขาเองเขาก็ย่อมจะมีใจปีติในการฟังใจที่ปีติเป็นกุศลจิตกุศลจิตย่อมทำให้เนื้อหาเข้าสู่จิตสู่ใจได้ง่ายขึ้นยังไม่นับกับผลพลอยได้ของพ่อแม่ที่จ้างเด็กอัดเสียงนะครับ เพราะว่าตัวเองก็ต้องฟังต้องเช็คว่าเขาทำจริงหรือเปล่าก็พลอยได้ฟังไปด้วยการฟังธรรมะแม้จะเคยฟังแล้วหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเช่นเรื่องความรักแต่อย่างน้อยเมื่อได้ฟังก็จะได้เก็บข้อคิดไว้สั่งสอนลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ง่ายจะเข้าใจเขาได้ง่ายเพราะว่าการสั่งสอนบางครั้งกลับเป็นการทาร้ายเขามากขึ้นนะครับ ด้วยการที่เราไม่เข้าใจปัญหาสำหรับเรื่องการคัดลายมือและนำมาอ่านเสียงนั้นสามารถนำไปใช้กับวิชาทั่วไปได้ด้วยนะครับเป็นการฝึกสมาธิฝึกการอ่านการเขียนยิ่งเด็กปัจจุบันนอกจากเขียนผิดจำนวนมากแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาทางด้านการออกเสียงซึ่งการออกเสียงนั้นจำเป็นมากในหลายอาชีพหลายคนแม้จะบุคลิกดีหน้าตาดีทุกอย่างดี แต่พอพูดแล้วมีเสียงไม่น่าฟังก็ทำให้ลดสเสน่ห์ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขาดความน่าเคารพการอัดเสียงธรรมะนั้นจะช่วยให้เสียงน่าฟังขึ้นด้วยนะครับการคัดลายมือและการอัดเสียงอ่านสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมมีผลต่อบุคลิกภาพอาชีพการงานก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับ